ออวันนี้ท่านทั้งหลายทั้งพระที่ศูนย์ได้สัมมนาทั้งหลายจงตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่พระเถาคตทรงอนุญาตให้พวกเราจำพรรษาในการฝนเพราะว่าการนี้ ไปที่ไหนไม่สะดวกมีน้ำนะมีเปือกสมจะไปส่งที่ไหนก็ไม่สะดวกอันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงอนุญาตให้จำบรรษาในสมัยก่อนข้างพุกาลนั้นมีพิจุสามเณรทั้งหลาย เดินไปทุกทิดทุกทางยัง ม, มีการจำพรรษาเกิดอันตรายคือไฟเดินผ่านคันนาหรือทุ่งนาของชาวมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อน อันนั้นเป็นเหตุฉะนั้นมีประชาชนทั้งหลายมาทูลพระพุทธเจ้าพระพจน์จึงตรัสให้พระคิดสุธรรมเนมจำสรรสารในการผลเพื่อให้อยู่เป็นที่อย่างวันนี้ก็ปเป็นการผล พวกราทั้งหลายซึงเป็นผวบริษัทของพระพุทธเจา้าประมาคารบในคำพุทธเจา้าจึงนดนำปเทญีอันนี้มาประพุทธปฏิบัติตามให้จำพรรษาการจำพรรษาก็หมายความว่าที่เราส่งวาจาไป ด้วยภาษามาคตนั้นก็หมายความว่าให้เราจำพรรษาในทีนี้3เดือนมีขอบเขตเอากำแพงเป็นเีตถ้าอารุณยังไม่ได้อรุณห้ามออกจากเขตกำแพงนี้ออกไปถ้าอย่างนั้นพรรษาขาด การดูจานภาษานี้อยู่ที่นี่ก็ต้องจำภรษาในที่นี้ขิ้นการผลนี้ที่ระเป่งนวาจานี้มีความหมายอย่างนั้นวัดต่ อ, อนี้เอากำแพงเป็นขอบเขตการออกวินถบาตอนเช้าก็ให้มีอรุณได้อรุณเจ้ก่อนเึงผ่านประตูวัดออกไป การนี้เป็นการที่พวกเราทางไายมีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของเราเรามีโอกาสแล้วทุกท่านมาจากสถานที่ต่างๆ น, น้อมกาย น, อน้อมจิตมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้ว จงให้ตั้งใจปฏิบัติในภาษาหนี้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายให้ตามเจตนาหมายของประธานตั้งหลายข้อวัดมีหลายอย่างที่ที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นพันธนาไม่ทว น, นพระพุทธองค์ท่านตรัสย่อว่า ที่คือทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นคำพูดน้อยแต่มีความหมายกวางมากที่สุดแต่ความประมาทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้ประโยชน์แก่เราไม่ให้ประโยชน์แก่เพื่อนจาทยามิทั้งหลายด้วยทุกทิ้งทุกประการถ้ามีความประมาทแล้วนั้น พระพุทธเจ้าท่าน่าเป็นคนตายเหมือนแั่คนตายถึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนตา ย, ม ย, มตายไม่มีทางที่ที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพวกพิสุสมมณีทั้งหลายเราขึ้นสราบในปัญญา น, นี้มีโอกาสว่างจำเป็นจะต้องจัดข้อวัดปฏิิธรรมะ ของเราให้สูงขึ้นกว่าปกติเดิมเก็ดในภาษานี้เราประกันตั้งใจบวชปฏิบัติให้กรมเกลียวกันการประชุมทั้งหลายนั้นคอยพร้อมเพียงกันไประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกทุกอย่างเมื่อมีจิตสูงอะไรจะเกิดขึ้น การสงควรแก่สูงที่จะต้องทำขอช่วยกันทำคนละไม้ละมือให้มันสำเร็จไปได้ความย่ำเย่อของพระเราทั้งหลายนั้นมันก็มีอะไรมากมายมีจิตชงเกิดขึ้นบางครั้งแต่ในภาษานี้จิตภายนอกมันก็น้อยเป็มทีมีจิตที่จะพึดปฏิบัติธรรมนั้นมากกว่า และปีนี้ความตั้งใจของผมนั้นตั้งใจมาเป็นไปอยู่เมืองนอกจิดถึงสำนักพวกเราทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยังมีการปกคล้องห้ายประการ ทุกปีที่เป็นมาไม่ค่อยสะดวกปีนี้พระเนียนน้อยแต่พอเป็นพระใหม่เนียนใหม่สโดยมากแล้วประกการตั้ง อ, อกตั้งใจอยากจะปฏิบัติคำศัพทสามประการที่ผมเล่าให้ฟังบ่อย เส่นท่านเรียกว่าอปันตะปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดถ้าใครปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนั้นว่าไม่ผิดถึงแม้ว่าเราพิจารณาแล้วกว็ไม่มีการผิดนีจ่จะจริงถูกต้องตรงนั้น ข้อหนึ่งท่านเรียกว่าอินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นโรกฟังเสียงดงกลิ่น ร, ร, ร, ร, ริมรถปวดตาปารุทำอารมณ์ด้วยใจนี้ก็หมายความว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในจริยวัดอันดีงามสมกับ สมณะผู้หาความสงบอินทรีย์คือหมายถึงเครื่องเป็นใหญ่ในจิตของตนเต็นตาหูจมูกลิ้นกายจิตอินทรียทั้งหกนี้ก็ต่างแต่และสิ่งแต่ละอย่างนี้ก็เป็นใหญ่ในจิตของมันทั้งนั้นเต็นตา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 เกิดขึ้นปฏิตนี่เรียกว่าอินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกการสังวรสังรวมนี้เมื่อแรกเร่าแลกวก็มีสองประการหนึ่งการสังรวมภายนอกสินตาหูจมูกฟิ้นกายจิตของเรานั้น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 ซึ่งเป็นผู้สังรวมเป็นผู้สังวรแต่ไม่ระวังเคยเดินไปยินธรรมว า, าด้วยกันท่านก็มองที่ปลายเท้าของท่านนิ้วไปไม่สังรวมและไม่สังวรไม่ไม่สังรวมพิจารณาดู ว, ว่าทางนี้มันจะไปทางไหน เราจะไปทางซ้ายหรือ ไ, ไปทางขวาท่านก็ไม่คิดยุติการทั้งรวมเรืออ่องไอ้ความระวังไม่มีเก็เลยเป็นเหตุวางที่ก็ทางที่มันแวะเข้าข้อโคเขาขอแยะไปไปบ่อน้ำขอแวะไปต่เพราะท่านไม่ระวัง สังรวมเฉยๆอันนี้เป็นตน้นอันนี้เราก็มีปัญญาในสังวรในความสังรวมนะอันนี้เป็นตน้นการสังวรสังรวมระวังขึ้นเวลาเดินไปในบ้านทำรวลา ตาจะต้องทำงานดูโน่นดูนี่เป็นธรมรมดาแต่ต้องระวังเมื่อไปมองเห็นสิ่งที่มันเกิดความย่อมใจเช่นผู้หญิงเป็นต้นถ้าเรามองเห็นเนื้ยมันเกิดความย่อมใจขึ้นมา หือหากาว่าเราฟังเสียงผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเราพอสังวนเรีกว่สังรวมมาพิจารณาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสใดโปุถะปาธรรมรมมาแล้วพอมาสังรวมว่าอันนี้มันเป็นอะไรว่านนี้มันเกิดมาจากอะไรมันมีผลประโยชน์อย่างไร ให้รู้จักว่านี่เรียกว่าเราต้องสั้งรวมออามาพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราชอบใจก็าตามไม่ชอบใจก็าตามสา ร, รพัดอย่างเราก็มาทำลายมันเสียให้มันเป็นไปตามสภาพของมัน โลกปุริเสียงปุริกลิ่นปริรสปริพุทธภักดิ์ปุริธรรมารมณริรวมรวมร่วนเป็นอนิจจังร่วนเป็นโทขังร่วนเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของแน่นอนมันแน่นอนก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่เดียวการสังรวมภายในการสังรวมภายนอกก็คือเรามอง ออกจากตัวเราเพียงประมาณสี่อเป็นต้นมีสังรวมภายนอกเมื่อเรารืมตามองไปเห็นสภาพอันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจของเราแล้วเราก็รีบกลับมาสันทีสั้นที่สองนั่นก็ไปมองซ้ำกันไปอีกในที่อันนั้น นั่นท่านเรียกว่าผู้มีความเอื้อเฟื้ออยู่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของนั้นท่านเรียกว่าผู้สังวรสังรวมผู้ที่เห็นรูปเสียงสีนรสุตปาฐธรรมารมแล้วนั่นปล่อยไปตามอารมณ์อนั้นนั่นคือคนที่ไม่สังวรสังรวมเป็นต้นถ้าหากว่า ลอยไปตามอารมณ์เช่นนั้นมันก็ไม่สืบปัญญามันไม่มีทางที่จะสิ้นจบลงไปในรูปเหี่ยงจิตลดโภชภะธรรมอรมณ์นั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นโทษของมันอาจจะไม่รู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปรู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจเราก็พือนไป ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามศัพทะธรรมโรมนั้นจิตใจแล้วก็ไม่สงบไม่เป็นสมณมะเมื่อจิตใจไม่สงบทำกรรมฐานก็ลำบากประพฤติ ธ, ธรรมะก็ลำบากเพราะทำใ่ถูกแนวทางมันอันนี้ข้อหนึ่งท่านจึงเรียกว่าให้สังวรสังรวมอินทรีย์หกตาหูจมกูกลิ้นายใจ โค่นจากตาหูจมูกลิ้นตายยังมีธรรมารมที่บังเกิดตับใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รีมรสตายไม่สู่ต้องโศภาอะไรแต่ว่ามันมีความรู้สึกขึ้นภายในจิตอันนั้นเรียกว่าธรรมารมเมื่อธรรมารมมัได้เกิดขึ้นมาเรียเพราะเราต้องรู้จักบางทีมันคิด ตายไปทางโลกเขามีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆไม่สัมผัสทางตาหูจมูกจ้นกายแต่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตมันอาศัยปัจจุบันทำมานั้นแล้วมันอาศัยอดีต น, นั้นเป็นโ้นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ให้มันเท่าทันดวงจิตของเจ้าของว่ามันรับสู้อะไรมา ที่มันรู้มานั่นคืออะไรให้มันดูจากแล้วก็มันเกิดความชอบใจขึ้นไม่ชอบใจ ข, ขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเปยนต้นแ ล, แล้วเราก็รวมลงทำทั้งสประการว่ารูปตัปดีเสียงตัวดีกลิน่นตัดี ร, รสตัวดีปวดสป่าธรรมรงตดีมันจะไปมันจะไม่พ้นไปจากอันยังถูกขังอันตาทั้งนั้น อันนี้จังทุกขังอัตตานี้ครอบทั้งหมดทีเดียวเราจะเห็นโทษมันอนนี้จังทุกขังอัตตานี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสนาถ้าเรามองดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันจะสุกหรือทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายก็าตามเถอะถ้าเราก็เห็นว่า นี่มันสักแต่ว่าเป็นเรื่องอนิจจังสุขขังอ า, า, าตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรเป็นตามความจริงอย่างนั้นสักแต่ว่า ม, มันรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แ้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หายไปมันก็มีเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรเกินไปัวนั้นอีก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 ทำให้ปัญญาสืบเคลื่นที่จิตจีตเป็นผู้รับรู้ธรรมารมเสืึ้นมาแล้วอก็ทิ้งลงไปในสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปตัวนี้อันนี้อาศัยให้ปัญญาสืบขึ้นมาเดียวเราก็เห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในกดจับธรรมารมแล้วมันสืบความไม่ยินดีไม่ยินร้าย ครั้งแรกนั้นมันก็เกิดความยินดีกันได้ทุกคนเว่าเราพิจารณาบ่อยๆทาให้มากเข่งให้มากพิจารณาให้มากในที่นั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นศิสปะนั้นธรรมารมณ์นั้นเป็นต้นปัญญามันก็เกิดมันก็พยายามเห็นโทษสริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริง ว่าเห็นโทษจริงทั้งหลายแล้วนั่นตาเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นไม่มีหน้าที่ที่จะมีอํานาจที่จะไปยึดจริงทั้งหลายเรานั้นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตก็มีความเบื่อหน่ายคลายความตำหนัดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมี่จิตดาเคราะหสงบแล้วมีปัญญาแล้ว อันนี้ปฏิบัติเช่นนี้คันเดียวว่าอพันนคภาพติปฏิปทานลยข้อปฏิบัติไม่ผิก็เป็นธรรมร า, าเบืองแรกเรามันก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาตธรรมรมถ้ามนันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็มีนนที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้ได้อารมณ์ม น, นี้ก็ดีว่าเรามีโอกาสดีแล้ว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 โธเทนมะตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ให่มากไม่ให้น้อยเราฟังดูให้มันดีๆไม่ฉันว่าท่านไม่ใช่ว่าท่นทานหยีขั้นไม่ให้เราฉันท่านให้เรารู้จักประมาณตั้งหากรู้จักความเหมาะสมตัางหากรู้จักความพอดีตั้งหาก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 เป็นสายกลางกลางไม่ยึดสุกไม่ยึดทุกันนั้นอันนี้ก็คือความพอดีท่านอยากให้พวกท่านทั้งหลายมองเห็นธรรมะให้จิตรู้ซึ่งความพอดีฉะนั้นท่านจึงให้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สนันโดษอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด นี่ไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นเรียวกว่าโพชเนมัจันิยูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเจียป่วนกับซ้ำที่จะมีโรคน้อยอีกด้วยไม่เคยปวดท้องไม่เคยเป็นไข้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มันมีอนิสงส์ฉะนั้นปีนี้ ในข้อนี้ผมพยายามมาแล้วสังหลายปีแล้วแต่ว่ายัางไม่พอใจกับพว ก, พวกเพื่อนสหธรรมิรทั้งหลายขัดต่อการพอดีฉะนั้นปีนี้การแจกอาหารปีนี้ ผมจะให้เอาเองลองดูพัดตเทศต่อทัพปีใส่ถือไปเรื่อยๆให้พวกท่านทางไหลเอาสิ่งนั้นให้พอดีถ้าว่าคนอื่นเอาให้มันก็เป็นปัญหาบางทีมันก็น้อยบางบางทีก็มากบางอย่างนี้เป็นต้น บัดนี้ผมจะทดลองดูว่าให้พวกท่านทางไหนเอาเองแต่ว่าเอาไปรด้ตรงฉันให้หมดอมเอาไงก็เอาฉันให้มันหมดในบาทถึงแม้บางมันจะเหลือนลอนิดๆใน น, น้อ ย, อยเป็นธรรมดาของมันต้องพยายามอย่างนั้นถ้าเราเอาพุเทศแจก ก็เดี๋ยวบางทีพระทุเรศก็ห้ยมากบางทีก็ให้ยน้อยบัดนี้จะให้เอาเองเพราะท่านจะปฏิบัติเองรู้ประมาณเ่ยวของเองลองดูปีนี่เอาให้หนักหนัก่หน่อยนี้เมื่อเอาไปแล้วก็ให้รวมรวมเข้าในบาททั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างมันเถอะให้ฉันในบาทจริงๆอิ ให้เป็นภาชนะเดียวจริงๆให้ฉั้นอยู่แต่ในบาตจริงๆพวกแกงพวกหวานอะไรทั้งหมดนะนะถ้าท่านชอบจะเอาหวานเติมเข้าไปก็เอาสตาเห็นว่ามันไม่อร่อยก็ยาวหวานต่อมาปีนี้จะไม่มีถ้วยให้ต่างเอาท่านชอบเอาหวานใส่ก็เอาแต่ว่าให้มันหมด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 ก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันผิดในเวลานี้เพื่อให้มันถูกต้องเราก็ต้องทำความให้มันถูกต้องอะไรมันถล่มโลกเราก็ไม่ต้องเอาถ้าใครพอเรียกก็ปิดบาดเลยเอาฝ้าบาดปิดไว้เป็นต้นไม่ต้องเอาหรือไม่ปิดก็ไม่ต้องเอาพอ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 ปฏิบัติยากมากปีนี้จงตั้งใจทุกๆ ท, ท่านให้รวมในบาตรไม่มีภาชนะสองอันเดียวนะหวานใครชอบอยากจะตักในบาตรเปล่าไม่ชอบก็ปล่อยไว้เห็นว่ามันไม่อร่อยก็เลิกมันอย่าเอามันปล่อยมันไปเนี่ย หรือเราอยากจะเอาสิ่งหรือสองสิ่งย่งนี้เราก็ตั้งใจเอาซะพอดีอมผมเคยพูดแล้วว่าไอ้ข้าวเหนียวเรานนเนี่ยปั้นขามาให้มันได้เท่านี้ปั้นอแล้วให้มือมันจุดกันเลยอ่านี้เท่านี้าวางลงในบาตรดอแจ้งกลับนอกนั่นไปประมาณเราเองอ ท่านเรียกว่าการฉันนี้นการบริโภคกบฉันนี้มันเป็นปฏิบัติต่อกันครับชาคณิยนุโยกการนอนความง่วงเหงาเอานอนมากเป็นมีบอนจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่สว่างเราลองพยายามสร้างตัตยทิฐานไว้ในใจของเรา จะปฏิบัติในอปันนกาปฏิปัสสาคือข้อปฏิบัตินี้ไม่ผิดลองดูสักประกาหนึงมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้ทหกว่ะไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะต้องทำอันนี้เมื่อทำผิดมันก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกมันก็ผิดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้น นานเลช้าอันนี้ต้องพยายามการบริโภคอาหารนี้เป็นของสาคัญมากที่สุดเมื่อเราฉันลงไปนั้นอาหารที่มันเป็นภัยกับโรคของเรานั้นเราพยายามกืนลงไปมันจะรู้ถึงที่สุดมันถ้าเราพินเจนอาหาร ถ้าใครพิจารณาอาหารน่ไม่ค่อยมีโรคโรคท้องไม่ค่อยเป็นน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยที่สุดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิก็เก่งทำความเพียรก็เก่งท่านบอว่าเราฉันไปประมาณอีกสักห้าคำมันจะอิ่มเตรียมที่มันพอเลิกมันเสียดื่มน้ำเข้าไปพอดี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 ให้พอดีเมื่อกันข้อที่สามนี่พระพุทธองค์กระมุ่งประสงค์อยากจะให้เป็นสมาปฏิปทาให้พอดีมันถูกต้องทิงทั้งสามข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายปฏิบัติมันถูกต้องอมเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วจเจริญกรรมาฐานมันก็ง่ายอันนี้คือเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะปฏิบัติธรรมะ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 เราจะต้องเห็นจิตของเรากับอารมณ์อืจิตนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราจะจี้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันอนะ่ะจิตนี้อมืมันเป็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนก็ น, นั้นนะ่ะเรียกว่าที่เราเรียกว่าจิตถ้าถามหาตัวจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็น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 มันนีอารมณอะไรมันแทกซึมอยู่เรื่งมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามันเกิดมาแล้วแล้วทิ้งเขาไป ส, สิ่งสามสิ่งอัไรอ่งองยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอันนี้จังทุกครั้งอันต า, าเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนี้เรียก ว, ว่าไม่นอนใจไม่นอนใจไม่ดับ แต่ร่างกายนี้มันมีการพักผ่อนตามธรรมดาของมันถ้าเราฝึกมันระทนทานมีกำลังอันนี้มีดวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่บึงการท่านไม่นอนแปดพรรษาไม่นอนคำที่ว่าไม่นอนนั่นก็ท่านไม่เอากายเอ็นลงไปทอดลงไปเป็นต้น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 ให้จิตสงบแต่สามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเวกป็ปืมตาออกมาความวงงงงเอานอนมันก็หายไปหมดอันนั้นก็เป็นอาหารของท่านอันนี้ไม่ถึงกับ น, นั้นนะให้มีสติสังวรสังวรระวังอยู่นนและพยายามที่สุดว่าข้อวัดที่เราตั้งไว้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 เมื่อเราจะนอนแล้วก็ตั้งสติว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนเมื่อตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรเสมอไป น, นี่ไอความเป็นจริงนั้นไอการนอนเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าใครเริ่สังเกตพิจรารณาจิตเป็นสมาธิใครไขก็ว่ามันไม่นอน นอนกลับไปนอนนอนก็ตื่นอยู่รู้อยู่เมื่ออะไรเสียงอะไรแคกตื่นแล้วรู้แล้วจนกวัวว่าจะทั้งคืน น, นอนเราไม่ได้นอนแต่ว่ามันไม่หิวมันมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสดใสเพราะมีวานไม่มีกำจัดมีวานออกแล้ว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 เป็นต้นอันนี้จิตยังไม่ถูกต้องถ้าคนเคยนอนกัดฟันนอนบุนเมือไปต่างๆนี้ถ้าจิตถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้ไไดหายหมดนอนกัดฟันก็หายคนก็หายอี่ทิ้งแข้งจิ้งขาไปที่ไหนก็หายถึงนั้นมีความรู้อยู่ตลอดเวลานอนดับ ท่านในระดับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในรดับมันพูดยากอันนี้อืมนอนเหมือนกับไม่นอนมันอิ่มอยู่แต่ก็ไม่หิวนอนอการนั่งสมาธิอย่างนี้พูดตายปกติของเราถ้ามันง่วงนอนก็สำหรับตาเขาทำสมาธิเท่านนี้พักหนึ่งแล้วก็มีกําลังเหมือนกับเราไปนอนสัก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 เมื่อตื่นสมจริงๆเนี่ฟุกจิตมันอยกนมอยู่เสมอเลยเราจะเห็นลมนี่ลมนี่สตินี่ ส, สััญญาแล้วก็จิตของเรานี่อยู่ด้วยกันคค้ากับเราไม่นอนแ่ไม่หิวแป่ไม่ง่วงนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องรู้จักว่าค้ากับเราไม่ได้นอน มีกำลังสุดสายแล้วก็นั่งและพิจารณาธรรมะธรรมะเกิดขึ้นให้มีปัญญาน<ม>ี่เดย ว, ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นชาคธิญยานุโยกประกอบด้วยความเพียรเพียรทางจิตเพียราายุ้มตาหูจมูกลีนตายที่มันเห็นรูปฟังเสียงดวงปิ่นนั้นเพียรยุทธิดรงนั้น เมื่อจิตมันกวนจิดขึ้นเม่อไรเมื่อเกิดจุก ข, ขึ้นเมื่ อ, อไรมันเป็นทุกข์ขึ้นเมื่ อ, อไรนั่นนที่ทำเพียร น, นั่นนที่เราก็ทำเพียรเพียรจะรู้อารมณ์มันั้นว่าอันนี้มันคืออะไรในความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็ะสับกระสาจะอารมณ์มีความรู้สึกเท่านั้นฉะนั้นในภาษานี้ ผมจึงอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทําให้มันจริงจริงจ้งแ จ, จ้งทั้งสามกระตา น, นี้ดูแล้วยังไม่มีใครพยายามทําอย่างนี้ในภรษา น, นี้ที่บวชใหม่ก็มีเตาก็มีมาจากสถานที่อื่นก็มีอยากจใจทําอย่างนี้ดูนี่คือปฏิบัติไม่ผิดรองดูทสินะจะเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ เราต้งทดรองให้มันรู้จักนี่ในปัญญานี้ผมอยากจะยกข้อวัดทั้งสามประการนี้ขึ้นให้พวกท่านทงางไหนพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติมันถูกต้องในทำสามประการนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าใครพยายามทำผมเชื่อแน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมะแต่ยังในอย่างหนึ่ง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 ท่านสนใจในเราถึงแม้ว่าเราทาถูกอยู่ท่านเข้าใจว่าเราทาผิดอย่างนั้นก็ยอมรับฟังไว้ดีแล้วถูกอยู่แต่ท่านว่ามันผิดอั่างนั้นก็เรื่องของท่านแต่เขาเตือนเราเราจะมีสติขึ้นว่าทั้งผิดทั้งถูกก็ตามเรารับฟังเท่านั้นปราดทั้งหลายนั้น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 ถ้าประยุทธ์ในความดีนั้นมันก็เป็นของไม่ดีขึ้นมาอีกเกิดอุปทานขึ้นมาเข็นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบัดนี้เราทําถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกเนี่ยเขาว่าไม่ถูกเรากพราะว่าถูกเขาเพราะว่าไม่ถูกอย่างนี้ยันกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรไมันจะโดนเอยกันได้ ยกตัวอย่างพระอานนท์นั่นท่านไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอาวัตพวกคณะสงฆ์ทงหลายเข้าใจท่านผิดวา่าท่านเป็นผู้ทาผิดจะต้องแสดงอาวัตพระอานนท์ท่านก็ขอร้องสงฆ์ทงหลายว่าผมไม่ไดกระทำเช่นนั้นผมไม่เป็นอาวัต ส, สงฆ์ท้งหลายไม่ยอมเป็นอาวัตท่านทำผิดท่านขอร้องเท่าไรกับสงฆ์ก็ไม่ยอม อย่างนั้นท่านก็เลยว่าท่านบอสแสดงอ่ะบอสเนี่ยเนี่ยท่านยอมที่ฐิมรณะยอมใช่ไยอมให้สงดีใจใช่เท่านั้นอันนี้เดียวเท่านั้นอ่นถ ะ, อะถ้าพระอายุถ้าพระอานุ์ก็ไม่ยอมสงก็ไม่ยอมกันมันก็แตกสามัคคีกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือคนมีปัญญา นี่คือทำให้เขาให้เขาหายความสงสัยแก้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทุกจิยงทุกอย่างนั้นทั้งผิดทั้งถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นข้อปฏิบัติเราทั้งนั้นทุกจิยงทุกอย่างในโลกนี้ ม, มันพร้อมที่จะให้เราศึกษาทุกประกาน ม, มันมีสิ่งที่ ทำให้เราละทำให้เราบำเพ็ญขั้งแรกท่านพ่อสอนว่าให้ยึดให้ดีนี่ชาวพุทธิย้าสอนยึดให้ดียึดอาณาปานัสติยึดอารมณ์ให้ดียึดให้มัน่นนี่ท่านบอกว่าใหมัน่นนี่ท่านบอกอย่างนี้ แต่ความเป็นจริงเดี่ท่านบอกว่าให้ปล่อยบางแห่งท่านบอกปล่อยมันบางทีท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราปฏิบัตินียถ้าผู้มีปัญญาและถูกทั้งสองอย่างท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันก็ถูกท่านบอกให้ปล่อยวางมันก็ถูกทาไมถึงเพราะมันถูกทั้งสองอย่างถ้าวิมุตมีก็มีสมุติ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 ออใครมาว่าไม่ได้เรียกมาทะเลาะกันไปเรื่อยๆมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดมาปัญญาปกตเกิดขึ้นมาอืมอันนี้มันก็ไม่ดีมันกันาดแต่ความไม่ยึดนัไนเนี่มันถูกแล้วชั่วก็ตามมันอย่าไปยึดมันดีก็ชัจางมันปฏิบัติได้แล้วอย่าไปยึดมันแต่เบื้องต้นท่านให้ยึดมันก็ฟังยากเหมือนกันอันนี้อืยึดต้งยึด เช่นว่าตัวเราตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีอำนาจที่เราจะมีสมมุติอย่างนี้แต่ท่านไม่ให้มีอำนาจที่จะขาไปยึดมันถือมันมแค่คาดกรว่าแท่งทองมันก็หนักท่อนไม้มันก็หนักไงแท่งทองมีราคา ทำมันหนักเกินส่วนมันกระทบเราตายได้เหมือนกันเราแบกไปนี่ไอความดีนี่ก็เหมือนกันฉันนั่นเมื่อเราแบกมันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์ผิดตกนรกเลยเนี่ยท่อนไม้มันก็มีความหนักอืแต่มันไม่มีราคาแต่มันหนักมันทัทบเราตายก็ได้เราไม่เอาท่อนไม้เพราะมันไม่มีราคา จะเอาแท่งทองอันนี้เรามันมีราคาเอาให้หนักของดีนี่มันก็หนักเหมือนกั น, นถ้ามันทับเราเราจะตายเหมือนกันแท่งทองมันทับเนี่ยฉะนั้นในทางที่ถูกแล้วท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นทาไมท่ า, านถึงสอนอย่างนั้นก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก็ไม่รู้จักเนี่ย รักความชั่วก็ระแล้วท่านไห้ปฏิบัติความดีไอ้ความดีเราก็ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปติดดีอีกเจ้าอะไรละ่ะไม่ทําดีแล้วไม่รู้ว่าเจ้าอะไรจะเอาอะไรปฏิบัติปฏิบัติเจ้าอะไรไอ้ความจริงนะเนี่ยปฏิบัติเนี่ยท่านเลยว่าให้ว่า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 ให้มันไหลลงไปเถอะท่อนไม้ท่อนนั้น่ะถ้าหากว่ามันไปติดไม่ไปติดฝั่งนโน้นแล้วไม่ไปติดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยท่อนไม้น่ยมันไม่เน่าละลายน้ําท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็มีโอกาสที่ที่จะถึงทะเลจนได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือมันกันฉันนั้น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 ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบถ้าความสงบเกิดขึ้นมาแล้วแเราก็ชอบนี่ลักษณะจิตมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี่เมื่อเรามานั่งปฏิบัติแล้วอยากจะสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยเราก็ยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยทะเลอกกันอยู่ นี่เรียกว่าทะเลาะกันแล้วคนนึงมันไม่สงบคนหนึ่งก็อยากสงบเป็นทุกตลอดการตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนี้อืมเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามมันเพราะเราไม่เห็นตามเรื่องของมันมบางทีก็อยากได้เร็วๆอยากรู้เร็วๆเห็นแสงสว่างเห็นโน่นเห็น น, ون, น, นี่เห็นนินนมิต อ, อย่างนู้นอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นธรรมแล้ว ปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วนี่แหละมันดุ่งพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์อย่างนั้นถ้าเราเดินทางถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วก็ค่อยไปผพไาะเปรียบในฟังหน้าเอาไว้เป็นอุบายเดียวตื่นอุบายอันนี้กับพระพมเธเจ้มาแล้วอย่างอื่นมันทุกข์ยากมันลาบากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างนี้ อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสูกเพราะอยากเป็นอยากมีถ้ามีความอยากจะเป็นขึ้นเดียเด๋ยวนั้ น, นมันก็ทุกข์เดี๋ยวนั้นแหละพอมันเกิดขึ้นมาเดียวนั้นชาติเกิดขึ้นมา ช, ามาชามาราปยาธิมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นผมจะเคยเปรียบให้นักปฏิบัติทั้งหลายว่าเราอย่าเอาตามใจเราเลยปฏิบัตินั้นเอาตามสัจ ธ, ธรรม ที่มันเป็นอยู่นั้นดีกว่าเปรียบนหนึ่งว่าผู้ปฏิบัตินั้นใค้พายก็ว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมก็ปไปหาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเราเอามาขุดหลุมเรานี่ก็เป็นเรื่องของเรา เอาต้นไม้นั่นลงเป็นในหลุมนั่นก็เรื่องของเราเอารินมาโศกนั่นก็เรื่องของเราเนี่ยให้น้ำมันไปก็เป็นเรื่องของเราให้ปุ๋ยมันไปก็เป็นเรื่องของเราการรักษาแมลงไม้ทางหลายนั่นก็เป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราหมดแล้วเรื่องปูกต้นไม้ที่นี่เรื่องของต้นไม้น่ะ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 มัคิดมาเลยกระทุ้งมนะันนะเราจะต้องปล่อยวางมันเสียทำการปล่อยวางทำหน้าที่ของเรานี้รักษาต้นไม้ไปให้หน้า ม, มันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษามแมลงไม้ไปไอ้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันด้วของมันไปมันเบโตขึ้นโตขึ้นตามธรมธรมชาติของมันมันต้องไม่เกี่ยวกับคนมันเป็นผลแล้วน่ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ดูเหตุและให้สร้างเหตุและให้แก้มันที่ตรงมีเหตุนี้อย่าไปแก้ผลมันเลยพ่อผลมันเกิดจากเหตุนี้ไม่ใช่มันเกิดจากผลผลมันมีมันเกิดจากเหตุนี้แล้วก็มาสร้างเหตุนี้เหตุนี้ก็คือเรื่องของเรา เ, เรื่องเราจะให้น้ำต้นไม้ฝ่ายให้ปุ๋ยมันฝ่ายรักษาแมลงไม้ฝ่าย อันนี้คือมันเป็นเหตุอยู่แล้วสร้างเหตุนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันบดีบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วเรื่องของต้นไม้เราก็ปล่อยให้มันอย่ไปทำมันใหน้าที่มันทำเอาเองของมันเราไม่ต้องไปบีบบังคับมันไม่ได้ถึงข่าวถึงสมัยประตูของมันด้วยของมันไปแล้วก็ทำต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของมันต้นไม้ทำตามหน้าที่ของต้นไม้ คนที่ปลูกต้นไม้ก็ทํตามหน้าที่ของคนปลูกต้นไม้ถ้าเราไปทาหน้าที่ของต้นไม้แหมมันนานโตด้คนนะ่ะไปดึงมือขึ้นอยู่สิให้มันสูงให้มันโตขึ้นมันตายไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยอย่างนี้นี่ก็เหมือ น, ก, นกันนั่นเมื่อเราทําศีลเท่าดีแล้วเมื่อเราพยายามสมาธิของเราดีปัญญามันสูอ ค่อยๆทำไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้คิดได้อย่างนี้มีหลักเสียร์เพียร์อย่างนี้สบายเลยอันนี้อาศัยการเพื่อกูลเรากับ ต, ต้นไม้ต้นไม้จะดีจะงามได้ขอเรามีความเพื่อปูลตรงกับต้นไม้เป็นปฏิปทาเนี่ยเนี่ยเพีเป็นตัวเดียวตัวชาติจะให้มันเป็นไปเองของมันตามธรรมชาติ เราเนี่ยกุมันกันมันจะรู้เร็วรู้ชา้าก็ปล่อยให้บุญวาสนาบารมีของเราแต่อย่าไปทิ้งเฉยๆนะจะต้องสร้างบารมีเรื่อยๆไป